ช่วงเวลาดำรความคิดเติมทักนะคติคอามคิดสร้างสรรค์พร้อมนำเสนอการตื่นทักสั่กา ร, ร, าาราใช้ชีวิตสํำหรับเด็กกับรายการคิดคิดสวัสดีครับสวัสดีครูฝั่งทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดคิดนะครับรายการที่จะให้ทุกท่านนะครับได้มารู้จักความคิดนะครับในแง่มุมต่างๆของเด็กๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับ ครูโนตขนมซับครับครูไอซ์ครับดิฉันนางสาวนภภาวดเขียนครูนอตค่ะครับเราสองคนนะครับก็จะทําหน้าที่ดําเนินรายการนี้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับกับทุกวันนี้เลยนะครับเวลาเดิมเนาะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับโดยการสอบถามนะครับจากเด็กๆนั่นเองนะครับความคิดนะคะความคิดความฝันของเขาและสิ่งที่เขามีต่อ คนรอบข้างหรือสังคมรอบข้างเขาคิดยังไงนะคะเป็นการถ่ายทอดความคิดของเด็กให้พวกเราได้รับดูรับฟังเนาะใช่ครับและในฐานะ ผู้ใหญ่อย่างเรานีครับก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะช่วยฝึกทักษะนะครับให้พวกเขาเนี่ยได้รู้จักคิดนะครับและมีทัศนคติที่ดีนะครับต่อการดํารงชีวิตนะครับรวมถึงการตั้งคําถามต่างๆของผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดความคิดนะครับแล้วก็ชวนให้เขาเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้รู้จักตัวตนเขาด้วยครับใช่ค่ะเป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารเนาะแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะในวันนี้เรามีนักเรียน2ท่านใช่ไหมคะใครที่จะมา แบ่งปันความคิดของเด็กนะคะให้พวกเราได้รับรู้รับฟังกันค่ะครับและที่สําคัญนะครับก็เป็นลูกหลานของรัชวงศ์คลธัญบุรีของเรานั้นเองนะครับไปพบกับเขากันเลยนะครับคนแรกเลยนะครับคนแรกน้องอะไรเอ๋ยแนะนําตัวหน่อยดีกว่าครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัซซีรีพิรมเสนากุลชื่อเล่นชื่ออิมเอ๋มค่ะอยู่มัธยมศึกษาปีที่1ค่ะอ่าคนแรกชื่ออิมเอมนะครับอยู่ชั้นมอลหนึ่งนั่นเองนะฮะคนที่2ค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงร่มชนานีมตาตยคุณชื่อชื่อเล่นชื่อเป้ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอ่านี้ปหกนะครับปห ก, กับมัธยมศึกษาปีที่1นึ่นะคะที น, นี้วัยก็ใกล้เคียงกันแสดงว่าความคิดเดี๋ยวเราลงมาดูความคิดของเขาแล้วค่ะว่าความคิดของเขาทั้งสองเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าครูไอซ์ครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับครูอยากให้เด็กๆเกนี่ยนะครับลองนะครับหาคำสักหนึ่งคำนะครับมานิยามความเป็นตัวเองนิดหน่อยนะฮะ าให้พูดหนึ่งคำให้พูดหนึ่งคำแล้วแบบว่าแสดงตัวตนของเราเลยใชอเริ่มจากใครก่อนดีคะเริ่มจากพี่เลยค่ะพี่อมเอมครับอะไรเอ่ยครับที่จะนิยามความเป็นตัวเองเอ็มได้ดีที่สุดครับจิ๋วแต่แจ๋วค่ะอ่าจิ๋วแต่แจ๋วว้าวเป็นยังไงบ้างครับจิ๋วแต่แจ๋วเนี่ยลองอธิบายหน่อยสิครับในความแจ๋วก็คือหนูจะวิ่งวิ่งได้เร็วค่ะถึงตัวเล็กก็วิ่งได้เร็วแล้วก็พูดเสียงดังค่ะ จืง mm hmm. แต่แจ๋วตัวเล็กวิ่งไวนะคะโอเคอันนี้คือคำนิยามของพิมเองนะคะคแล้วเป้ยๆล่ะคะเป้ยๆมีะ ค, ะคำนิยามของตัวเองว่าไงคะน้ำตาลไม่ค่ะน้ำตาลไม่อ่าแปลกนะครับคุณนอครับฉีกแนวเพราะว่าภายนอกหนูอาจจะดูเป็นเด็กที่ดูแบบว่าเรียบร้อยอะคะ่ะแล้วก็ <laughs> อาจจะดูเป็นคุลสตรีในสาตาคนอื่นแต่จริงๆหนูออกนิสัยที่แบบว่าห้าวๆมากกว่าอะไรเล่นอะไรหนู่าจะชอบเล่นกับพวกผู้ชายมากกว่าเล่นกับผู้ผู้หญิงค่ะอืมชอบเล่นกับผู้ชายน้ําตาลไม่คือลักษณะที่ที่มีความแข็งแกร่งของเราถูกต้องไหมคะแต่น้ําตาลยังมีรสหวานใช่ไหมครับเบย์เใช่ค่ะ อ, อีกคนนึงแนวหวานนะคะอีกคนนึงอีกคนหนึ่งแนวสังคมโอเคค่ะครูไอซ์งั้นประเด็นแรกนะคะที่เราอยากจะถาม เด็กๆให้เขาแชร์ความคิดของเขามานะคะคืออะไรคะในประเด็นถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรดีคะคุณไอซ์เอานี้ดีกว่าครับคุณครับเดี๋ยวเราลองสอบถามเด็กๆนะครับว่าเด็กๆเกนี่ยนะครับชอบทําอะไรและอะไรบ้างที่ทําให้เด็กมีความสุขที่สุดเลยครับอมเอาขาจะเป็นคนตอบดีเออเขาจะเป็นคนตอบก่อนเอาสิ่งที่เราชอบแล้วทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งนั้นอม หนูชอบเล่นบาสค่ะหนูชอบเล่นกีฬาเมื่อก่อนเพื่อนๆจะจับกลุ่มเล่นฟุตบอลกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนผู้หญิงพผู้ี้ก็ไม่ค่อยเล่นด้วยหนูก็เลยหันไปเล่นบาสตอนแรกมันก็ไม่ไม่สนุกสำหรัหนูเพราะหนูไม่ชอบเล่นค่ะพอหลังๆก็เหมือนแบบเพื่อนก็เล่นกันเยอะแล้วก็หันไปเล่นบาสกันมากกว่าหนูก็เลยกลับมาเล่นบาสลองมาเล่นบาสดูก็หนูก็ว่ามันก็สนุกค่ะเวลาหนูเล่นกีฬาหนูมีความสุขค่ะ ดีจังเป็นการออกกําลังกายนะคะคเด็กเดี๋ยวนี้เด็กๆที่เราเห็นจะคือจะนั่งเล่นเกมนะคะ<ช>แตเป้ยๆจะชอบเล่นกีฬาและอินเอเมล่ะคะชอบเล่นกับเพื่อนค่ะ<ม>เล่นกับเพื่อนก็เล่นมีความสุขค่ะเล่นเหมือนเด็กป .1 ค่ะก<ม>็<ม>สนุกสนุกวางครั้งก็วิ่งไล่จับวางครั้งก็เป่ามีฉุก ค, ค่ะก็สนุกดีค่ะรู้สึกว่ามีความสุขที่อยู่กับเพื่อนด้วยคือเป็นเกมเป็นเกมเด็กๆนะคะแต่ว่าสร้างความสุขให้กับเด็กๆได้นะคะครับต่อไปนะครับในประเด็นต่อไปนะฮะ เด็กๆคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยอดแย่แล้วเด็กๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ในชุดในตัวของเราเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจคําพูดค่ะอ่าอเ อ, ม, เอมครับคำพูดของอีเอ็มเป็นไงครับในตอนแรกจากเมื่อก่อนหนูพูดแบบหยาบคายค่ะแต่พอแบบก็ถามพ่อแม่ว่าถ้าทำอย่างนี้กับเพื่อนเพื่อนจะรักไหม แล้วคือหนูเห็นว่าเวลาหนูพูดเตรียมหยาบายทีไรเพื่อนเดินหนีทุกทีค่ะก็เลยยองถามพ่อแม่ดูว่าอย่างนี้เพื่อนจะรักไหมแม่ก็บอกว่าไม่รักหนูก็เลยเปลี่ยนนิสัยให้เป็นไพลอกกว่าเดิมค่ะแล้วตอนที่เรารู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยเดินหนีจากเราไปอะค่ะตอนนั้นอินเอมอยู่ชั้นประถมหรือหนูชั้นมัธยมค่ะอยู่ชั้นประถมค่ะบ่อยไหมคะที่เรารู้สึกว่าเพื่อนเดินหนีจากเราไปบ่อยค่ะ นันแสดงว่าอีมสังเกตพฤติกรรมเพื่อนๆ อ, อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมค ะ, คะจึงจึงตั้งคำถามนี้ไปถามพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ให้คำแนะนำหลังจากนั้นแล้วคะ่ะเราเอามาใช้ในห้องเรียนสิ่งที่อีมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนคืออะไรคะเพื่อนก็เข้ามา พักตลอดเลยค่ะจากคนที่เดินหนีไปก็พักหนูเล่นกับหนูบ่อยค่ะโู้รู้สักการปรับปรุงเนาะโอเคดีมากเลยค่ะแล้วไป้ายๆอ่ะค่ะสิ่งที่เคยยอดแย่แล้วตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ยอดยอดเยี่ยมสําหรับเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาดรูปค่ะศิล ป, ป ะ, ะตอนเด็กๆหนูชอบวาดรูปมากๆเลยหนูวาดรูปหนูตั้งใจวาดมากแล้วหนูก็เอาไปให้คุณครูดูหนูไปเอาไปอวดนั่นแหละค่ะแล้วสวยใช่ไหมคะ แล้วครูก็บอกว่าหนูวาดอะไรมาค่ะอืไปจําได้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยเราวาดอะไรไปหนูวาดแมวเปอร์เซียค่ะอ๋อแมวเปอร์เซียหนูจําได้เลยแล้วหนูครูก็บอกว่าหนูวาดอะไรมาหนูก็เลยแบบตอนนั้นมีม่านมาปิดหน้าหนูเลยหนูก็เลยห่างเหินการวาดรูปไปเลยค่ะเวลามีงานมีงานอะไรหนูก็จะให้เพื่อนที่วาดรูปเก่งๆวาดให้ค่ะแล้วหนูก็เลยไปถามแม่ดูว่าแม่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรไม่ ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแล้วถ้าสมมุติเราไปทำใหม่อ่ะมันจะได้เรื่องไหมแม่ก็บอกว่าจะรู้หรอถ้าเราไม่ลองฝึก mm hmm. หนูก็เลยไปลองฝึกวาดรูปดูค่ะหนูก็ฝึกวาดฝึกวาดไปเรื่อยๆแล้วก็หนูก็เลยวาดได้หนูว่าหนูวาดได้ดีขึ้นตอนนี้ว่าได้ดีขึ้นนะคะเราจะสังเกตความคิดของของเด็กๆทั้งสองคนนะคะที่ถามข้อออกมาเขาจะปรึกษา คนก้ตัวเขาก่อนคือได้แก่คุณพ่อคุณแม่ค่ ะ, คะแล้วก็อย่างเป้ย์เ้ย์เยเจอเหตุการณ์อะไรมานะคะคุณไอซก็คือเหมือนประมาณว่าเขาตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแต่เหมือนแบบว่ามันเป็นครั้งแรกของเขาแล้วมันก็ยังไม่อาจจะไม่ดีพอสําหรับคนที่เพิ่งเห็นผลางานของเขาเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นม่านมาปิดตัวเขาไว้เลยเมันเป็นกําแพงมาปิดตัวเขาไว้แล้วเขาก็พยายามทําใหม่นะครับจน จนทำได้ดีใช่ตอนทำได้ดีนะครับแล้วตอนนี้น้องเนี่ยเขาก็มีผลงานทางด้านศิลปะเนี่ยนะครับออกไปแข่งก็ขอเป็นกําลังใจให้เปย์เปยนะคะพัฒนาฝีมือด้านศิลปะต่อไปนะคะเปิดม่านตัวเองแล้วเนาะค่ะโอเคค่ะในประเด็นต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูประเด็นต่อไปนะครับประเด็นต่อไปได้นะครับครูจะถามเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยนะครับอยากขอบคุณขอบคุณใครหรือว่าขอบคุณสิ่งใดในโลกนี้ สิ่งกดิ์จะไม่ใช่คนก็ได้หรือเปล่าไหคะถ้าเกิดอยากจะขอบคุณในเด็กอยากขอบคุณใครอยากขอบคุณพี่ค่ะทำไมคะเพราะพี่ส่งหนูเรียนพิเศษค่ะตอนก่อนหนูหนูอยากเรียนคณิตแต่หนูไม่เก่งเลยค่ะก็เลยอยากก็เลยไปถามพี่ว่าพี่หนูขอเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ได้ไหมพี่บอกได้เดี๋ยวพี่ส่งเรียนให้พอเรียนปุ๊บไปประมาณสองสามปีหนูก็รู้สึกหนูเก่งขึ้นค่ะ ได้คะแนนเวลามาสอบก็ได้คะแนนเยอะอยู่ค่ะก็เลยแบบมีความสุขที่พี่ทําให้หนูได้เก่งขนาดนี้ค่ะอขอบคุณพี่เนาะที่คอยซัพพอร์ตเราเนาะในเรื่องการเรียนแล้วเป้ย ๆ, ๆล่ะคะอยากขอบคุณสิ่งใดหรือใครอยากขอบคุณครอบครัวค่ะเพราะว่าครอบครัวให้ความอบอุ่นแล้วก็ดูแลหนูมาอย่างดีค่ะครับ <c oughs> Okay. ทุกคนในครอบครัวเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะโอ้ครอบครัวนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะอินเองก็มีพี่จุดเบ็ตเอรก็มีครอบครัวนะคะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันเล็กๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับครบคาวนี้นะครับเด็กๆครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเด็กๆในอย่างเลือกที่จะช่วยเหลือใครเพราะอะไรครับเด็กๆครับอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวเราก็ได้ใช่ใครก็ได้สักหนึ่งคนในโลกนี้นะครับเด็ก อยากจะช่วยเหลือใครอยากช่วยเหลือคุณพ่อคะ่ะค่ะเพราะอะไรคะคุณพ่อตอนนี้ก็ไม่มีอาชีพทำแล้วคะ่ะหนูก็เลยที่โรงเรียนนี้หนูก็เลยช่วยครูทาอะไรก็ได้คะ่ะก็เลยได้เงินมายี่สิบสสิบก็พาพ่อไปกินกินขนมในเซเว่นได้คะ่ะน่ารักนะครับใช่ค่ะช่วยคุณพ่อทำให้คุณพ่อมีความสุขเนาะจากแรง แรงกายเ ล, กเล็กๆน้อยๆของน้องอิ่มเอ็นะคะแลเะเป้ยๆอะ ค, ะออคอ่ะอยากขอบคุณอยากขอบคุณคุณยายค่ ะ, คะที่คุยว่าหนูแบบหนูอยากช่วยคุณยายอยากขอบคุณเพราะว่าคุณคุณยายเหมือนแบบว่าคุณยายอยู่ต่างจังหวัดค่ะหนูก็อยาก ไปช่วยคุณยายอยากช่วยคุณยายคุณยากขอบคุณคุณยายทํารีสอร์ตอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วมันอยู่ไกลอะค่ะก็อยากไปหาคุณยายอยากไปช่วยอยากไปขอบคุณอะไรต่างๆค่ะการช่วยของเราเหมือนกับเป็นการขอบคุณคุณยายเนาะที่คอยเคยดูแลเบ้เป้ยมาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเห็นไหมคะสถาบันครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นญาเป็นพี่เป็นน้องนะคะจะส่มผลนะ กับการใช้ชีวิตของนักเรียนและความรู้สึกความคิดของนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะครูไอซ์ใช่ครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีประเด็นอะไรอีกคะอ่าอันนี้น่าสนใจครับสมมติว่าเด็กๆมีพลังพิเศษนะครับครูให้พลังพิเศษกับเด็กไปเลยเป็นอะไรดีคะเป็นโดเรมอนอ่าเป็นโดเรมอนเป็นอะไรก็ได้เป็นเต่าแมนเป็นสไปเดอร์แมนเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ะนะครับเด็กๆเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างไงครับอย่างไรก็อยาก ให้ประชาชนทุกคนค่ะเล่เปลี่ยนนิสัยการทิ้งถังขยะค่ะการทิ้งขยะก็อยากจะให้ทิ้งขยะเป็นที่ค่ะคเพราะว่าจากหนูเห็นเขาทิ้งขยะในแม่น้ำแล้วหนูรู้สึกเป็นมลพิษทางอากาศหนูแบบไม่สะดวกในการหายใจค่ะก็คือถ้าทิ้งในน้ํานะจะเป็นผลวิมลพิษทางนะ้ำ<ช>นอนทิ้งบนบกก็จะเป็นมลพิษทางอากาศทีนี้ก็กลังจะหมายถึงมันส่งกลิ่นจากน้ําอาจจะทําให้น้ําเน่า นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นคนลิวทางอาการนะคะก็โอเคอยากให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะใช่แล้วเพื่อนๆคะถ้าทําได้อยากให้ทุกคนทําอะไรคะหนูอยากให้ทุกคนไม่ฆ่าสัตว์ค่ะอยากให้สัตว์ที่สูญพันธุ์แล้วเหมือนแบบว่ากลับมาค่ะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเวลาหนูไปต่างจังหวัดหนูก็จะเห็นเขาเอาตาข่ายไปดักนก นกก็ไม่เห็นตะข่ายใช่ไหมค ะ, คะนกก็ติดตะข่ายแล้วหนูก็เห็นนกมันติดตะข่ายอยู่อย่างนั้นหนูก็สงสารมัน ค, ะค่ะเขาก็จับขาแล้วก็เอาไปตัดมันก็ทอดกินกันหนูก็อยากให้เหมือนแบบว่าไม่ฆ่าสัตว์นะคะอยากให้อยากให้คนอยู่กับสัตว์ ร่วมกันอยางมีความสุขและก็อยากให้สัตว์ที่สูญพันธุ์มาแล้วกลับมามีชีวิตใหม่แล้วอยู่ร่วมกันได้อีกใช่ไหมครับค่ะอ๋อโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับสังเกตว่านอกจากนี่นะครับความคิดของในเด็กที่เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวครอบครัวแล้วนะครับก็ยัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เป็นห่วงสโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับอย่างเคสเปเปอร์เนี้ยคือเราสังเกตได้ว่าแสดงว่าเขาสนใจเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะใช่ครับสิ่งที่เขาเคยเห็นแล้วตอนนี้เขาไม่ได้เห็นแล้วเขาอยากจะเห็นอีกนะคะก็ฝาก ฝากถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกับความคิดของเด็กๆใช่ครับอ่าประเด็นสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับประเด็นก็คืออยากเด็กๆคิดว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเด็กๆเนี่ยจะทําอะไรประกอบอาชีพอะไรนะครับเอาความคิดตอนนี้ก่อนก็ได้ว่าเอออนาคตของเราเนี่ยเราอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรหรือสิ่งที่เคยคิดไว้ตอนเด็กๆค่ะในในในวัยเด็กทุกคนก็จะมีความคิดใช่ไหมตอนแรกหนูอยากจะเป็นพยาบาลค่ะ ก็ก็อยากเป็นเหมือนแม่ค่ะเห็นเห็นแม่ทําแล้วช่วยคนช่วยคนไข้ก็อยากทำบ้างแต่พอไปเห็นว่าหนูไปดูในหนังค่ ะ, คะเขามันจะมีหมอกับพยาบาลหนูคิดว่าหมอเวลาแบบคิดว่าจะทําได้หนักกว่าและจะทําดีกว่าหนูก็เลยจะคิดว่าอยากจะเป็นหมอมากกว่าค่ะอืมอยากช่วยผู้คนเนาะ<ช>อยากช่วยให้คนหายจาก โรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมค่ะพีเมใช่ค่ะดีมากเลยค่ะแล้วเป้ยอะค่ะอยากเป็นอะไรหนูตอนแรกนะคะหนูอยากเป็นคุณครูค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นคุณครูมันต้องตีเด็กค่ะจริงเหรอทำไมอะเพราะว่าหนูตอนหูอยู่อนุบาลอะไรย่างเงี้ยเพื่อนก็เหมือนโดนตีแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่อยากเป็นครูเลยค่ะเพราะแบบว่าต้องตีเด็กแล้วแบบ หนูสงสารเด็กว่างั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ ะ, ค, ะค่ะแล้วตอนนี้ยัง อ, อยากเป็นครูอยู่ไหมคะไม่ไม่แล้วแล้วอยากเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้หนูอยากเป็นหนูไม่ได้อยากเป็ น, นะคะหนูอยากแบบว่าสืบทอดสืบต่อแบบว่าธุรกิจของบ้านนะคะทำทำรีสอร์ทกับคุณยายใช่ไหมคะใช่อ๋าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอุย้ยสังเกตสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยนะคะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ เป็นอย่างนั้นตลอดไปก็ได้นะคะเป่ยเปยโอเคค่ะความคิดของเด็กๆวันนี้เป็นไงกันคะคุณไบร์ส ว, วันนี้เราก็ได้เปิดประเด็นกันในหลายๆเรื่องเลยนะครับเช่นในเรื่องของอการเปลีปย่ยนแปลงโลกนี้นะครับร<ๆ>เขาก็ได้มีทัศนคติเกกับสิ่งแวดล้อมเนาะเนาะครับเรื่องการช่วยเหลือก็ช่วยเหลือบคุคคลในครอบครัวนะครับสังเกตว่าคําถามหรือประเด็นต่างๆที่วันนี้นะครับที่เรานํามา ลองถามเด็กๆนะครับเพื ja ita, drafting, ่อเปิดทัศนคติของเด็กๆเนี Maybe, ่ยนะครับก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับต่อผู้ใหญ่อย่างเรานะครับรวมถึงคุณครูอย่างเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่ฟังนะครับรายการของเราอยู่นะครับในตอนนี้นะครับสามารถสามารถนําปรับไปใช้กับบุตรหลานของท่านผู้ฟังได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นวัยเดียวกันหรือวัยต่างกันก็ได้นะใช่ครับแล้วก็นอกจากนะครับน้องๆสองคนนะครับเป้ยแล้วก็อินเอมอินเอมแล้วเนี่ยนะครับ ในเทปต่อไปหรือในเทปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีเด็กๆนะครับในหลายระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ้อหนึ่ง <S <S พ้อสะครเป็นวัยที่เจ้เจ้าเจราจานะครับ <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวเราก็จะมีประเด็นต่างๆนะครับประเด็นอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นประเด็นง่ายๆเนี่ยเพื่อมาพูดคุยสร้างความสนุกสนานสร้างสีสันนะครับรวมถึงสร้างความคิด ของเด็กๆจริงๆเลยนะครับซึ่งเป็นความคิดเพียวๆไม่มีสคริปต์เลยนะคคิดอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นนะคะคิดๆจริงๆเลยนะครับโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางช่องของเราครับก็ขอเจาประเด็นนะคะเปิดความคิดของเด็กๆนะคะแต่เพียงเท่านี้อ่าแล้วก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวขอสักนิดนึงนะครับขอให้เด็กๆนะครับทั้งสองคนเนี่ยเชิญชวนนะครับผู้ฟังนะครับมาติดตามรายการของพวกเราหน่อยครับอ ฝากผู้ฟังค่ะว่าอยากให้ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะโ okay. อะเคไปไปครับก็นี่ก็เป็นเทปแรกนะคะก็ฝากรายการของเราด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้รายการคิสคิดด้วยค่ะเอ้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใช่ครับ <Okay. S 2> ครับสาหรับวันนี้นะครับพวกเรานะครับผมนะครับครณไอซ์นะครับแล้วก็คุณน็อตค่ะ ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับกับรายการคิสคิสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University